เพิ่มเติมไหมอันนี้คือเรามีเวลาอยู่อีกครึ่งชั่วโมงโ okay. อเคเขาถามค่ะระหว่างที่นั่งสมาธิมันมีความรู้สึกเบือ่ <c oughs> อค่ะก็คือนั่งไปดูลมหายใจหรือดูอะไรแปลกๆมันก็เบือ่อเราก็ยังไงคะวก็ช่างมันทำต่อไปนะเราวก็ช่่งมันความเบื่อมันก็เป็นอันหนึ่งที่มัน ก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าทุกอย่างนมันต้องมีอุปสรรคในการในการทําความดีอะหรือว่าการงานทุกอย่างก็ต้องมีอุปสรรคแน่นอนคือบางทีเราก็ทําไมเราถึงเบื่อเพราะว่าเราก็รู้สึกว่ายังไม่เห็นผลสักทีหนึ่งใจเราเนี่ยมันไปอยู่ที่ผลทะแล้วนี่ออกไหมถ้าใจเราเนี่ยมีความคาดหวังในผลเนี่ยถึงเราจะอยู่กับพุทโธ ต, ตรงนี้นะแต่ใจเรามันขโมยนี่ขโมยนีไปอยู่ตรงนี้แล้ว เพราะนั้นเนี่ยพอมันไปถึงตรงนี้มันเหมือนกับเวลาเราไปวิ่งใช่ปะถ้าเราวิ่งนะถ้าตาเรามองอยู่ที่เส้นชัยอย่างเดียวเนี่ยมันแล้วมันยังไม่ถึงเน่ะแล้วเราเริ่มหมดแรงใช่ปะเราจะรู้สึกสิ่งสิ่งเข้าใจปะดด ม, มันรู้สึกแบบไม่ถึงเส้นชัยทีไม่ถึงเส้นชยัยทีแต่ถ้าเราปรับโฟกัสของสายตาของเรามาอยู่ที่ระยะวิ่งของเราอะ่ะแล้วก็ดูรอบข้างไป ชมนกชมไม้ไปอย่างเงี้ยเราจะมีกำลังใจเพิ่มที่จะทามันอย่างมีความสุขมากขึ้นเพราะนั้นเนี่ยเป้าหมายทุกคนมันต้องมีนะเป้าหมายแต่สิ่งที่เราไม่ควรมีคือความคาดหวังทีนี้ต้องบอกว่าเราเนี่ยโดยมากเราใช้คำว่าเป้าหมายกับความคาดหวังเนี่ยเราใช้ปนกันไปแล้ว ส่วนมากเราก็บอกเฮ้ยมันต้องมีความหวังสิชีวิตคนเราไม่มีหวังมันจะไปอยู่ได้ยังไงต้องมีความคาดหวังต้องมีหวังแต่หวังในที่นี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นบริบทของคําว่าเป้าหมายเป้าหมายไม่ต้องมีเราต้องมุ่งไปข้างหน้าให้มันถึงแต่เรามีความคาดหวังไม่ได้ไม่ควรจะมีเพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าหนึ่งในในความทุกข์ความทุกข์ที่พระพุทธเจ้าแจ้งเอาไว้ให้หนึ่งในนั้นก็คือว่า ปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้แต่สิ่งที่เราปรารถนาเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นความคาดหวังก็คือความปรารถนาใช่ไหมพอเราตั้งเอาไว้แล้วมันยังไม่ได้เนี่ยมันทําให้เราเป็นทุกข์แน่นอนยิ่งไอ้ความคาดหวังของเรานะมันอยู่สูงๆมากๆอยู่ไกลๆมากๆเนี่ยไอ้แกระหว่ังที่เราอยู่กับไอ้ความคาดหวังตรงเนี้ยยิ่งเยอะมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทับใจเรามากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราควรจะลดทอน ความคาดหวังเนี่ยนะเอามาอยู่ตรงนี้อยู่ตรงความพอใจที่เราได้ทำเหตุดีๆของเราความพอใจที่เราได้ทำการงานดีๆของเราอันนี้มันก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งแล้วก็เขาเรียกว่าอยากจะทำอะไรก็ทำไปอยากจะแกล้องอะไรฉันก็แกล้งไปอยากจะเบือ่อเหรอก็ให้มันเบื่อไปแต่ฉันฉันมีอีกตัวหนึ่งที่ฉันสนุกฉันยินดีฉันพอใจในการที่ฉันจะทาการงานอันนี้ มันก็จะเป็นสองตัวนะเหมืนตัวขาวกับตัวดำเลยแต่ถ้าใจเราเท่าทันใจเราก็จะย้ายจากไอ้ตัวดํามาอยู่ตัวขาวแต่สักพักไอ้ตัวดํามันดึงเราไปเหมือนเดิมเราก็ยื้อยู่อย่างนี้แหละแต่พอเราทําไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยความความเคยชินความคุ้นชินในเส้นทางอ่ะมันมีมากขึ้นพอมีมากขึ้นเนี่ยผลที่ได้มันมันต้องได้ดีขึ้นเร็วขึ้นแน่นอนอ่า เหมืนคนว่ายน้ําเป็นใหม่ๆกับคนที่เขาเป็นนักกีฬาว่ายน้ําเนี่ยว่ายน้ําในระยะทางเดียวกันใช้เวลาไม่เท่ากันใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่ทําใหม่ๆอมันต้องใช้เวลาเป็นแบบหลายๆเท่าตัวเลยของนักกีฬาแน่นอนเพราะฉะนั้นเราก็ทําได้อย่างเดียวคือเราก็พัฒนาทักษะเราให้มันมากขึ้นมากขึ้นจนจนที่เรา ลดระยะเวลาในการที่ผลมันจะปรากฏขึ้นมาได้เพราะถ้าผลมันปรากฏขึ้นมาได้ปุ๊บเนี่ยแน่นอนเราก็จะมีกําลังใจเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะว่าผลมันปรากฏขึ้นแล้วเนี่ยปรากฏน้อยแต่มันก็เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าอมันดีจริงนะแล้วเราก็มีกําลังใจทํามันต่อไปเรื่อยๆได้แล้วมันก็จะพัฒนาขึ้นไปอ่ะเพราะเราไม่หยุดถ้าเราหยุด มันก็หยุดอยู่เนี้ยแต่ถ้าเราไม่ พ, พัฒนามันไปเรื่อยๆเราไม่หยุดที่จะพัฒนามันนะมันต้องดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นและดีขึ้นเขาขอคำถามที่สองค่ะเมื่อกี้พาชันพูดว่ า, าวางใจให้ถูกหรือวางใจให้ตรงช่วยขยายความความลึกเข้าไปบอกว่าคำว่าถูกต้องหรือตรงมัน มีอะไรบ้างค่ะถูกต้องกับถูกตรงก็คือว่าถูกต้องถูกตรงตามความเป็นจริงในสภาพแบบที่มันเป็นอย่างเช่น เ, เราบอกว่ามันติแตกนะเรามีคู่เรามีคู่เราก็มีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าเราก็อยากจะให้ให้ความสัมพันธ์ของคู่เราเนี่ยอยู่จน ถือไม่เท้ายอดทองตะบองยอดเพชรมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองอะไรก็ว่างไปใช่ไหแล้วก็มีความคาดหวังในคู่ของเราว่าคู่ของเราก็จะต้องไม่นอกใจเราใช่ไหมแล้วแต่ถามว่าอันเนี้ยมันมันถูกตรงตามความเป็นจริงไหมความเป็นจริงก็คือว่ามันก็ไม่มีอะไรแน่นอนไงเขาอาจจะเบื่อเราวันไหนก็ได้หรือเราอาจจะเบื่อเขาวันไหนก็ได้ ใช่ไหมแต่ถ้าเราฟิกซ์ไปเลยว่าเขาจะต้องเป็นคนดีอย่างนี้สม่ําเสมอเขาเปลี่ยนไม่ได้เขาจะต้องแบบรักเดียวใจเดียวตลอดเนี่ยถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งปุ๊บความเป็นจริงก็คือว่าเกิดเขาเปลี่ยนขึ้นมาเนี่ยมันแน่นอนแหละเราก็ผิดหวังแล้วก็ทุกใจใช่ไหมแต่ถ้าเราวางใจไว้ตรงนี้ว่าเออความเป็นคนเนี่ยมันกากเกมแน่นอนไม่ได้แหละเอาวันหนึ่งมันอาจจะจากฉันไปก็ได้ อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดวันหนึ่งที่เขาจากเราไปอย่างเงี้ยด้วยแบบดีหรือแบบไม่ดีก็แล้วแต่เราก็ทุกน้อยกว่าใช่ไหมหรืออยู่กัน ร, รักกันจนจนสุดปลายทางได้ก็คือตายกระจากกันไปข้างหนึ่งสุดท้ายความพลัดพรากมันมาเยือนแน่นอนเพราะความพลัดพรากมันมาเยือนสุดท้ายมันก็ต้องจากกาันใช่ไหมพอมันจากกันเนี่ยความพลัดพรากมันก็เป็นทุกข์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ ไม่วางใจให้มันตรงกับแนวทางในสิ่งที่มันเป็นเนี่ยไม่ตรงไม่ถูกในสิ่งที่มันเป็นพุมันมันมีช่วงมันมีช่องที่ทุกมันจะย่ายีจิตใจเราได้แน่นอนแล้วอะไรบ้างที่ที่บอกว่าแล้วมันความถูกตรงถูกต้องของแต่ละอันมันเป็นยังไงใช่ไหมจะอะไรเป็นมาตรฐาน น, นี่ก็มีคถาให้ทองอันนึง นี่เราก็ไปขโมยเข้ามานะเขาก็บอกว่าให้ท่องเอาไว้ว่าทุกสิ่งเนี่ยมันก็ล้วนเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดสลายตัวของมันเสมอถ้าเราท่องไว้อย่างนี้เตือนใจเราไว้อย่างนี้ได้เนี่ยเราจะทุกน้อยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมุ่งหน้าไปสู่ความสลายตัวของมันเสมอไว้ง่ายคือมันเปลี่ยนแปลงได้ เปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยที่ต่างว่าในกระเป๋าตังค์มันก็ไม่ได้เที่ยงเหมือนกันใช่ไหมมันก็เ ป, ปลี่ยนแปลงไปได้เสมอมันอาจจะดนล้วงกระเป๋าไว้ตอนไหนก็ได้เหมือนกันหรือมันอาจจะไปกับสิ่งที่มันไร้สาระก็ได้เหมือนกันหรือเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรคงตัวแน่นอนได้อยู่ตลอดได้อย่างเหมือนกับที่เรา สตาร์ไว <Start> ได้นะส่วนมากจิตใจเราเนี่ยมันจะอยากให้อยู่คงทนอยู่แบบเนี้ยไปเรื่อยๆอย่างคนที่แต่งงานหรือคบกันใหม่ๆเขาก็จะสตาร์ทคู่ของเขาไว้เท่านั้นแหละแล้วความเป็นจริงมันคืออะไรความเป็นจริงคือมันก็แก่ไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเราไม่ไม่ท่องเตือนตัวเองไว้ว่าทุกสิ่งมันก็ล้วนมุ่งหน้าไปสู่การสลายตัวของมันอยู่เสมอใช่ไหมเราก็จะ คิดว่าแฟนเราก็อายุยี่สิบอยู่ตลอดหรือว่าเท่านี้ตลอดพอแฟนเราเริ่มมีติงกาหรือว่าผมขาว่างเงี้ยหรือว่าเริ่มอ้วนเงนี้ยเราก็รับไม่ได้เพราะถ้าไม่ได้ปุ๊บเราก็เริ่มที่จะไปหาหานอกแนวแล้ะหาคู่อื่นแล้ยมันก็ทุกข์มันก็มากขึ้นใช่ไหมแต่ถ้าเราท่องไว้นี่นะมันก็เปลี่ยนแปลงได้ใช่ป่ะอา้าวเขาก็อ มันก็เห็นแล้วล่ะมันก็เปลี่ยนแปลงให้เราเห็นด้วยแหละอิงกาก็มาแล้วจากที่เคยคุณแบบว่าสี่สิบห้าห้าสิบตอนนี้มันอาจจะหกสิบเจ็ดสิบมันก็เปลี่ยนแปลงให้เราเห็นได้เพราะฉะนั้นมันก็ป้องกันอะไรได้หลายอย่างอย่างไม่น้อยเราก็ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นได้ดีขึ้นในความเป็นจริงที่เขาเป็นได้ดีขึ้นมันก็อยู่กันง่ายขึ้นเราก็ไม่โอกาสที่เราเจะแบบนอกใจคู่เราเราก็มันก็ช่วยได้ เพราะเรารับความเป็นจริงเขาได้ส่วนมากที่คนนอกใจคู่ก็คือเราไม่พอใจคู่เราเนี่นยแหละดันั้นไม่ว่าคนนะศาสตร์สิ่งของหรือแม้แต่กระทั่งอารมณ์ความรู้สึกในใจของเราเองเนี่ยมันก็ดําเนินไปสู่การสลายตัวของมันเหมือนกันเราบอกว่าความรักที่เรามีมันก็อย่าพิ่งเชื่อความรักที่เขามีก็อย่าพึ่งเชื่อเชื่อไว้ครึ่งหนึ่งก่อน เขาบอกว่าถ้าเชื่อของของเนี่ยเชื่อไว้สักห้าสิบเปอร์เซ็นแต่ถ้าเชื่อคนนะเอาเชื่อไว้สักยี่สห้าเปอร์ซ็นพอเพราะคนไม่แน่ไม่นอนของยังแน่นอนกว่าเยอะถ้าเป็นคนนี่เผื่อไว้เผื่อไว้เจ็สิบห้าเปอร์เซ็นต์สำหรับความผิดหวังไอ้ถ้าเป็นคนนี่ก็ยี่ส้าปอร์เซ็นต์ใช่ปะที่มันจะแน่นอนแต่ของเนี่เผื่อได้ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นเพราะนั้นวางใจให้มันถูกตรงถูกต้อง ก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งอันหนึ่งที่ที่ทอาจจะเป็นแนวทางง่ายๆที่เอาไว้ไวใช้และอันหนึ่งก็คืออันเนี้ยถูกตรงถูกต้องตามแบบเรเรียกว่าภาพใหญ่ภาพใหญ่ของธรรมชาติแต่มันจะมีความถูกตรงถูกต้องในแบบของของสังคมด้วยของสังคมด้วยก็คือ เช่นค่านิยมในองค์กรที่มันดีอย่างเงี้ยมันก็เป็นกรอบที่เราจะต้องเอามาเป็นตัวคำนึงบ้างระดับหนึง่งแต่สุดท้ายถ้าไอ้กรอบเนี้ยมันค้านมากเกินไปกับกรอบธรรมชาติเนี้ยเราก็ต้องเอากรอบของธรรมชาติเอาไว้เป็นเกณฑ์เพราะว่ามันเหมือนกับอยกตัวอย่างาเช่นความเป็นคนดีอะ่ะใช่ไหมเวลาอยู่ในองค์กรเนี่ยทํางานด้วยกันเนี่ยเราก็มีสมมุติว่าเราทํางานเก่งเนี้ยใครๆก็ ช่วยนี้หน่อยคนนี้ก็ช่วยนี้หน่อยเราก็เป็นคนมีน้ำใจก็ช่วยได้ช่วยช่วยช่วยพอมันเป็นไปอย่างนี้สักพักหนึ่งมันจะเริ่มเป็นยังไงมันจะเริ่มมีคนมาให้ช่วยเยอะพอมีคนมาให้ช่วยเยอะแล้วเป็นไงเราก็รู้สึกว่าเอ้ยช่วยไม่ไหวแล้วมันหนักเกินไปแล้วเราก็มีค่านิยมว่าถ้าเราปฏิเสธไม่ช่วยใครเนี่ยเราเป็นคนไม่ดีส่วนมากเราจะมีค่านิยมกันอย่างนั้นแต่ถามว่า การที่เราไม่ได้ช่วยใครเอ่ยเราเป็นคนไม่ดีหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่ทุกกรณีนะถ้ามันมันหนักแล้วมันเกินที่เราจะช่วยแล้วเราปฏิเสธอะเราเป็นคนผิดหรือเปล่ามันไม่ใช่นะใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ค่านิยมหรือกรอบความบางอย่างอนะ่ะถ้าเราโดนโดนกรอบอันนั้นเนี่ยมามาครอบเราแล้วเราไม่รู้จักที่จะมีกรอบอีกสักอันหนึ่งมารองรับว่าเอออันเนี้ย เราหลุดออกจากกรอบนี้ได้นะแต่อย่าหลุดออกจากกรอบนี้ถ้าเราเรามีแต่กรอบเล็กแ น, นั้นอันเดียวชีวิตเรามันก็ไปยากแล้วเราก็มีความทุกข์มากว่านั่นเถอะเพราะมันสุดท้ายเนี่ยกรอบใหญ่ที่มันควรจะจะใช้เป็นกรอบของชีวิตของเรากรอบความเป็นคนดีของเราอยู่ที่กรอบของศีลห้าถ้าเราหลุดจากศีลห้าเมื่อไหร่เนี่ยมันเป็นคนไม่ดีแน่นอนแต่ถ้าเราอยู่ในในกรอบของศีลห้าเนี่ยเราต้อง อยู่ในเซฟโซนที่ว่าเราเป็นคนใครจะมาตราหน้าเราว่าเราเป็นคนไม่ดีไม่ได้เพราะฉะนั้นหลุดจากกรอบขององค์กรเนี่ยมันก็ยังมีกรอบของศีลอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราปฏิเสธเราก็ไม่ได้เป็นคนเลวอะไรซะหน่อยก็แค่เราช่วยไม่ไหวแค่นั้นเองทีนี้ถ้าเกิดมันก็เป็นเรื่องของคนที่เขามาขอความช่วยเหลือแล้วถ้าเขาไม่บริหารจิตใจตัวเองว่าเพราะการขออ่ะมันก็มีความคาดหวังว่าอยากได้ใช่ไหม แต่ถ้าเกิดผิดหวังแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่บริหารจิตใจเองก็ทําอะไรไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่คุณไม่ขอเนี่ยคุณก็ตั้งต้นไว้แล้วว่าคุณเบียดเบียนคนอื่นอยู่เพราะฉะนั้นการที่เราเบียดเบียนคนอื่นแล้วเราโดนปฏิเสธเนี่ยมันก็แฟงๆอะไ ร, รอย่างนี้นะกรอบของความเป็นจริงก็จึงเป็นกรอบนอกสุดที่ที่เราควรจะเอามาไว้คำหนึ่งเป็นกรอบป้องกันใจเราแล้วก็ไอ้ ก, กรอบเล็กๆ ค่านิยมในองค์กรหรือในสังคมอะไรตรงเนี้ยเราก็อย่าอย่าโดนมันผูกมัดผูกติดจนเกินไปเพราะว่ามันไม่ใช่ของจริงอะ่ะมันเป็นของสมมุติแค่แค่ในองค์กรเฉยๆซึ่งอย่างที่ว่าไปอ่ะถ้าถ้าเราปฏิเสธเราก็ยังเป็นคนคนดีอยู่ได้ใช่เพราะฉะนั้นมันมันแค่เป็นเรื่องความพอใจไม่พอใจของคนสองคนเฉย ไม่ใช่เป็นเรื่องไม่ดีถ้าเรื่องไม่ดีคือเราแบบวางยาเพื่อนเราทำงานแล้วให้เจ้านายเห็นแล้วก็โดนรถกันเดืยนตันไล่ออกอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ดี น, นี่ก็ถือว่าปีดเบียดอะไรเงี้ยแต่การที่เราปฏิเสธคนอยู่เป็นคนอยู่อย่างมีความสุขเนี่ยเขาต้องมีทักษะในการอยู่ให้มันเป็นนะก็คือทักษะในการที่ปฏิเสธ แต่ปฏิเสธก็อย่าปฏิเสธแบบขวผัผพาซากก็ต้องมีลีลาในการปฏิเสธบ้างแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นของเราเรามีความเงื่อนเขาเรียกว่ามีเงื่อนไขจำกัดอะไรในการช่วยเหลือของเราบ้างที่เราไม่สามารถจะช่วยเหลือเขาได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องชี้แจงกันบ้างไม่ใช่บอกทำไม่ได้ไม่เอาอย่างงี้มันก็จะห่วนเกินไปหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าเรา มีศิลปะในการปฏิเสธแล้วก็เออช่วงนี้เรามีอันนี้มีอันนี้มีอันนี้นนแล้วเนี่ยมันตึงมือแล้วถ้าเกิดจะให้ดีคนนี้ยังว่างอยู่นะเราขอความช่วยเหลือเขาไหมีมันก็ก็ต้องรู้จักรู้จักที่จะผลิตอุบายในการเอาตัวรอดระดับหนึ่งด้วยนอกจากที่เราจะอยู่อย่างมีความสุขให้ได้นะเราก็ต้องรู้จักปฏิเสธให้เป็นด้วย ก็กลับนับัตการพระอาจารย์ค่ะมีคําถามเรื่องการทําบุญนะคะว่าคือไปเจออยู่หลายวัดที่เขาจะมีชุดสังฆทานแบบเวียนนะคะคร น, นี้เราก็แล้วก็จะมีกล่องให้เราหย่อนเหมือนบอกว่าชุดละประมาณอย่างเช่นร้อยเาเเนี้ยก็หย่อนตู้ไปส่วนสังฆทานเขาจะทําแล้วก็จะมีการเวียนมาให้กับคนใหม่เรื่อยๆอย่างเงี้ยคะ่ะอยากจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าแบบนี้เนี่ยคือเราได้บุญไหมแล้วก็มัน ในทางหลักการของพุทธศาสนาอย่างนี้ถือว่าโอเคไหมคะหลักใจถือไม่เข้าขายไม่ออกเราก็ต้องแยกแยกสองประเด็นก่อนนะแยกในส่วนของคนทาก่อนคนทาก็คือคือผู้ที่ไปถวายสังฆทานใช่กับของก็ต้องแยกกันก่อนอย่างเจตนาเราเจตนาที่เราจะมีเจตนาในการให้ แล้วของที่เราได้หรือว่าสิ่งที่เราหามาเนี่ยมันมันไม่ได้ได้มาในแบบผิดทางไม่ได้ไปขโมยใครมาไม่ได้เบียดเบียนใครมาอย่างนี้ถือว่าเป็นวัตถุฐานที่บริสุทธิ์แล้วก็เจตนาบริสุทธิ์อย่างเงี้ยในส่วนของผู้ให้มันได้เต็มแน่นอนได้เต็มแน่นอนแต่ถ้าเรื่องของความเหมาะสม ในภาพลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยถามว่ามันมันก็มีทั้งคนที่เฉยๆแล้วก็คนที่คิดว่าไม่เหมาะส ม, มก็มีอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งต่างหากถ้าถามว่าได้บุญไหมมันต้องได้บุญแน่นอนเพราะว่าเจตนาของเราวัตถุทานเราก็ดเีเจตนาเราก็ดีมันต้องได้บุญอยู่แล้วเพราะว่าบุญมันสําเร็จจากเจตนานะอย่างเช่น อ, อ, อย่างเช่นประเภทที่แบบว่าทําบุญเอาหน้าอย่างเงี้ย เจตนาคือเราอยากได้อันนี้แต่เราสร้างภาพคือเราทําบุญโดยการบริจาคอย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้ยได้บุญน้อยเพราะว่าเจตนาเขาเรียกว่าฐานที่ให้มันเศร้าหมองเศร้าหมองโดยเจตนาบุญมันก็ได้ไม่ดีได้ไม่เต็มแต่เจตนาของเราดีแล้วในส่วนนี้มันได้ดีได้แ น, น่นเต็มได้แ น, น่นแต่อีส่วนถึงความเหมาะสมในการที่เขาเอาของมาขายเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการอย่างเงี้ย อันนี้ก็ก็แล้วแต่ค่านิยมกันไปนะแต่ถ้าเป็นเราเราก็ยังสนับสนุนว่าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเราคิดว่ามันไม่เหมาะสมก็ควรที่จะสนับสนุนโดยการที่เราไปซื้อของมาถวายเองดีกว่าก็คือไม่สนับสนุนไอ้ตรงที่หย่อนตู้อะเราก็เออันเราไปคือจะบอกกระป๋องสังกทานเนี่ยมันเป็นวิวัฒนาการที่แบบเอเมซิ่งมากนะ เพราะว่ามันสร้างความสะดวกสบายอ่ะให้คนเพราะว่าใครๆก็อยากจะทำบุญใช่ไม่มโดยการให้ทานเพราะมันมง่ายแต่ก็มันก็คนมันก็มีช่องอ่นแหละให้คนที่ก็แบบอำนวยความสะดวกให้เราอ่ะเขาก็จัดเป็นชุดๆให้อะไรเงี้ยแต่พอมีชุดๆให้เนี่ยถ้าตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยพอทุกคนมันถวายถวายถว า, ถวาสมมติต่างใ น, ในมันเกิดมีแค่วัดเดียวสมมตินะก็ เต็มเลยของเต็มกระดังเลยแล้วโดยมากเนี่ยไอ้วิวัฒนาการของไอ้กระป๋องสังกฐานเนี่ยมันไม่ ไ, ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ไม่ค่อยเวิร์กหมายความว่าไอ้ของเนี่ยมันจะใช้ได้เนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่อะรอย่างเี้นะเพราะนั้นถ้าเราแนะนําเนี่ยเราก็อยากจะให้ไปซื้อเองมากกว่าไม่ต้องอะไรมากไปซื้อในเซเว่นก็ได้ซื้อใส่ถุงไม่ต้องกระป๋องคําว่าสังกฐานคือไม่ใช่กระป๋องนะบางทีบางทีเราเข้าใจว่าสังกฐานคือกระป๋องอ่ะไม่ใช่กระป๋องนะ แค่เราไปซื้ออะไรแล้วไปถวายพระเนี่ยก็เรียกว่าสังฆทานนั่นแหลสังฆทานได้เพรา ะ, ะนั้นอย่าไปคิดว่าสังฆทานคือกระ ป, ป๋องเพราะฉะนั้นการที่เราอยากให้ทานเราไปซื้ออะไรไปถวายก็ได้อะเราอย่าปับก็แค่ว่าถวายของให้มันถูกกับเวลาเฉยๆอย่างเช่นของกินก็ถวายก่อนเพลงแต่ถ้าเกิดเราอยากเรามีเวลาสะดวกหลังเพลงคือเที่ยงไปแล้วเราก็ซื้อเป็นของใช้ พระก็จะได้รู้สึกว่าสบายใจในการรับด้วยเพราะว่าไอ้กระป๋องสังฆทานเนี่ยมันรวบยอดหมดแล้วเวลาพระรับทีก็รับแบบคือไม่เข้าคายไม่ออกเพราะว่าจะบอกโยมก็ไม่ได้เพราะว่าโยมก็สะดวกอย่างนั้นแล้วจะบอกว่าเอ้ยพระรับพระก็รับแบบเอไอ้ของบางอย่างมันก็รับไม่ได้น ะ, ะมันก็กระอักระอ่วนนะคู่ก็เลยถือโอกาสชี้แจงเลยว่า ไปซื้อที่ตรงไหนก็ได้ไม่ต้องไปซื้อร้านสังกัญทานก็ได้นะในเซเว่นซื้อนมซื้อน้ําซื้ออะไรเนี่ยเราอยากได้ก็ถวายไปเราพร้อมมาไหนเราก็ถวายไปอย่ น, นั้นดีกว่าแล้วก็เป็นของนี่มันใช้ได้จริงๆในชีวิตประจําวันนะ่ะมันไม่ใช่แบบไอ้กระป๋องสังกัญทานที่แกะออกมาแล้วมันใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยเราถวายเราก็อยากจะให้พระใช้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องถวายหลายอย่างก็ได้ถวายอะไรที่แบบเรารู้สึกว่า เราใช้แล้วก็พระก็ได้ใช้ไม่ต้องหลายอย่างมากก็ถือว่าเป็นการให้เหมือนกันคือมันไม่ได้ว่าให้หลายชิ้นแล้วมันจะได้บุญเพิ่มนะมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นเพราะนั้นมันตัวเจตนาที่เราเจตนาของเราเนะี่ยมันเป็นตัวว่าบ่งบอกถึงบุญนี่มันจะได้อะบุญมันเป็นเจตนาความแบบผ่องใสของใจที่มันจะเป็นผลตอบรับกลับไปไม่ได้อยู่ที่ว่า ของแพงหรือของถูกแต่อยู่ที่เจตนาว่าเราเจตนามีเจตนาที่มันประนีตไหมมีเจตนาที่มันดีขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องความอาก็สรุปว่าไอ้เรื่องทําบุญได้บุญแน่นอนแต่ไอ้เรื่องความเหมาะสมในเรื่องของความที่ค่านิยมอเนี้ยก็ถ้าในมุมมองเราเราก็ว่ามันก็ไม่ดีไม่ดีแต่ถ้า อยากจะแนะนำก็คือว่าเราซื้อของไปถวายเองเลยดีกว่ามีเพิ่มเติมไหมล่ะถ้าไม่มีก็สรุปเลยนะวันนี้พูดไปก็เยอะแต่หลักๆจริงๆก็คือไอประมาณสามสิบนาทีแรกของเราเนี่ยแหละถือว่าเป็นหัวใจสำคัญ กิจกรรมในวันนี้เลยก็ว่าได้ก็คือการที่เราได้เพิ่มทักษะโดยตรงให้กับจิตใจในการทําความสงบให้เกิดขึ้นกับจิตใจของเราแล้วมันก็เป็นการให้อาหารใจที่ดีให้กับจิตใจของเราเราเลือกอาหารให้ร่างกายแล้วเนี่ยอาหารให้ใจก็สําคัญอาหารให้ใจเนี่ยที่มันมันจะปรับสภาพให้จิตใจของเราเนี่ยไม่ร้อนไม่หิวแล้วก็เป็น ไม่ง้อให้กลับมาเป็นใจที่ไม่ร้อนไม่หิวไม่โง่คือฉลาดรู้เท่าทันตามความเป็นจริงได้เนี่ยก็คือพื้นฐานอยู่ง่ายแค่นี้แหละที่ปลายจมูกเราการที่เราคอยหัดที่จะให้ใจย้อนกลับมาอยู่ที่ลมหายใจได้บ่อยๆให้กลับมาอยู่กับพุโทโธให้ได้บ่อยๆแล้วก็ภาพลักมันไม่ใช่แค่เฉพาะนั่งหลับตาอย่างเดียว มันต้องแทรกให้เข้าไปในทุกส่วนของชีวิตของเราทุกๆช่วงเวลาของชีวิตของเราให้ถ้าเราแทรกมันทีละนิดทีละหน่อยลงไปในช่วงเวลาในชีวิตของเราได้เนี่ยมันทำให้เราได้เยียวยาจิตใจของเราอยู่ตลอดไม่ไม่ปล่อยให้ให้จิตใจเรามันโดนผู้ยี่ผู้ยำแล้วก็มาเยียวยาทีหนึ่งนี่ไม่ใช่เพราะนั้นการป้องกันคือการที่เราคอย ให้ใจเราย้อนกลับมาอยู่กับพุทโธเรื่อยๆให้ได้ทั้งวันอยู่กับลมหายใจเรื่อยๆให้ได้ทั้งวันเนี่ยมันเป็นการป้องกันที่ดีเป็นกราบที่จะคุ้มครองใจของเราแล้วก็พัฒนาให้ให้การงานภายในของเราเนี่ยมันค่อยๆเพิ่มขึ้นจนไปเสมอหรือว่าเดินดเนินควบคู่กันไปกับการงานภายนอกเพราะชีวิตของเราเนี่ยมีการงานภายนอกกับการงานภายในที่มันสมดุล พอมันสมดุลแล้วเนี่ยชีวิตเราก็จะมีความสุขที่มันมากขึ้นความสุขไม่ใช่จากการที่เราไปกินหรือเราไปดูหนังฟังเพลงไม่ใช่จะเป็นความสุขที่มันมีจากความพอดีมีความอิ่มมีความเต็มใจไม่เร่าร้อนใจไม่รุ่มร้อนอยู่ในภายในของเราก็จะเป็นใจที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นใจที่มันเยอกเย็น่ะยืเ ย, เ ย, เย็นมีความสุขจากในภายในแล้วเราก็พึ่งพึ่งตัวเอง โดยที่ไม่ต้องพึ่งร้านร้านอาหารไม่ต้องไปพึ่งรายการทีวีไม่ต้องไปพึ่งไม่ต้องพึ่งภายนอกแล้วก็พึ่งแต่เฉพาะลมหายใจกับความสุขในภายในของเราเองมันก็จะเหมือนกับเราได้ติดเครื่องผลิตความสุขให้กับตัวเรานะก็อยากจะให้ไม่จบเฉพาะแค่ชั่วโมงวันนี้แต่อยากให้เอามันไปพัฒนาไปเรื่อยๆ ให้อยู่ในช่วงชีวิตประจำวันของเราให้ได้อย่างดีเราก็จะได้เป็นผู้ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความสุขมากมีความทุกน้อยหรือใครพัฒนาไปได้จนเป็นผู้ที่มีมีความทุกเลยก็จะดีมากการพัฒ น, นาสาตวุ